เจรอนพอรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อบใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30สธันวาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ทำความดีมาละบากมาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเวลาย่อมไม่คอยใคร เวลานี้จะก้าวไปขยับไปอยู่เรื่อยๆและในขณะเดียวกันเวลาก็จะกลืนกินสัตว์ระสัตว์ทั้งหลายไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบตักตวงเวลาตักตวงโอกาสอันมีค่าของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอพระพุทธศาสนา ไม่ช้าต่อไปเราก็จะหมดเวลาหมดโอกาสดังนั้นในขณะที่เรามีลมหายใจอยู่และมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเราจึงควรรีบมาทำบุญมาสร้างกุศลกันเพราะเป็นการพัฒนาเป็นการยกย ย ก, กจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนสูงจนอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครทำให้เราได้ดังนั้นวันนี้เรามีเวลาว่างเราจึงควรรีบมาตักตวงประโยชน์ที่มนุษย์สามารถที่จะตักตวงได้ เพราะในบรรดาภพชาติต่างๆนั้นมีภพชาติของมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสามารถสร้างบุญสร้างกุศลให้ไปถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้คือให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้และไม่มีอะไรที่จะสามารถสอนหรือพา ให้เราไปถึงจุดนั้นได้นอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นดั่นนั้นการที่เราได้มาเกิดและมาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นโชควาสนาของเราอย่างยิ่งเพราะพระพุทธศาสนานั้นเปรียบเหมือนกับเพชรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งแต่คนที่ไม่ฉลาด จะไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนามีแต่คนฉลาดเท่านั้นที่จะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาคนที่ไม่ฉลาดก็เป็นเหมือนกับไก่ที่ได้พลอยไก่ย่อมไม่เห็นคุณค่าของพลอยเพราะสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับไก่นั้นก็คือไส้นอน ไส้เดือนตัวหนอนแต่พลอยนั้นไก่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรส่วนคนฉลาดนั้นก็เปรียบเหมือนกับคนที่รู้ว่าพลอยนั้นมีคุณค่ามากกว่าไส้เดือนตัวหนอนดังนั้นถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเราก็ ยังเป็นเหมือนไก่ได้พลอยอยู่ถ้าเราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเราก็จะเป็นเหมือนคนที่เห็นคุณค่าของพลอยและไม่สนใจกับตัวหนอนตัวไส้เดือนตัวหนอนตัวไส้เดือนนี่ก็คือลาบยศสารสนสุขนั่นเองที่พวกเราส่วนใหญ่ มักจะให้ความสำคัญมากกว่าการทำบุญการละบาปการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะพวกเรายังเป็นพวกตาฝาหูหนวกตาบอดยังไม่เห็นคุณค่าของบุญของกุศลเห็นคุณค่าของลาบยศสารเสริญสุขว่าเป็นสิ่งที่เลิศวิเศษ ความจริงแล้วมันก็เป็นเหมือนกับตัวหนอนที่ไก่ชอบนั่นเองตัวหนอนตัวไส้เดือนที่ไก่ชอบหากินมันก็ให้ความสุขไปเพียงวันต่อวันเท่านั้นเองแต่มันไม่สามารถทําให้ตัวไก่นั้นหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ บรรดาลาบยศสารเสริญสุขทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นมันให้ความสุขกับเราเพลิดให้ความเพลิดเพลินกับเราไปวันวั น, วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันมันก็ให้เราต้องทุกข์กับมันไปด้วยเวลาที่เราติดในลาบยศสารเสริญสุขแล้วเราก็จะต้องมีความห่วงมีความกังวล กับทุกข์กับลาบยศสารเสริญสุขเราต้องนิ่นลนต้องพยายามหาลาบยศสารเสริญสุขอยู่ตลอดเวลาทำให้เราต้องไปแข่งแย่งชิงดีมีเรื่องมีราวมีปัญหาตามมาไม่รู้จักจบจากสิน้นและเวลาที่เราต้อง สูญเสียลาบยศสารเสรินสุขไปเราก็มีความเศร้าโศกเสียใจอะไรอววรเพราะเราไม่ฉลาดนั่นเองเราไม่เห็นคุณค่าเราไม่เห็นโทษของของลาบยศ ส, สรเสินสุข<ม>และเราไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นคุณค่า ของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราให้จิตใจของเรามีความสุขมีความร่มเย็นมีความอิ่มมีความพอมีความปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความทุกข์อะไรก็ตามความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไป ไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญสุขก็จะไม่กระทบกับจิตใจของเราหรือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่กระทบกับจิตใจจะไม่ทำให้จิตใจดันรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกวุ่นวายรู้สึกเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดเพราะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้ใจรู้จักปล่อยวางให้รู้จักว่าการยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่มีความทุกข์เช่นเรายึดเราไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติ เข้าของเงินทองของผู้อื่นเราไม่ยึดไม่ติดกับสามีภรรยาของผู้อื่นเวลาสมบัติเข้าของเงินทองหรือสามีภรรยาของผู้อื่นตายไปเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างไรเพราะเราไม่ได้ไปยึดติดกับเขานั่นเองเราไม่ได้ไปหวังที่จะเพิ่มเขา ให้เป็นผู้ที่คอยดูแลให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราเป็นสมบัติข้าวของเงินทองของเราเวลาที่เราต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปเราจะมีความเศร้าโศกเสียใจเราจะมีความทุกข์มากเพราะเราไปมีความยึดติดต้นเอง พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพยายามปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดในสิ่งที่มันจะต้องจากเราไปหรือเราต้องจากมันไปเพราะเราไม่จาเป็นที่จะต้องอาศัยเขาเพื่อให้ความสุขกับเราเพราะความสุขที่แท้จริงที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจาก ข้าวของเงินทองได้รับจากคนนั้นคนนี้เช่นได้รับจากสามีหรือภรรยานั้นยังมีอยู่ถ้าไม่มีอยู่แล้วก็จะไม่มีนักบวชมาปรากฏให้เราได้กราบไหว้บูชากันเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นคนฉลาดท่านเห็นความทุกข์ ที่มีติดมากับลาบยศสรรเสริญสุขท่านไม่ต้องการความทุกข์เหล่านี้และท่านเห็นความสุขที่มีอยู่กับชีวิตที่เรียบง่ายสมถะไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆท่านจึงสละ สมบัติเข้าของเงินทองสระครอบครัวสระสิ่งต่างๆแล้วไปอยู่ตามลำพังตามป่าตามเขาเพื่อหาความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขทางด้านจิตใจที่เกิดจากการชำระจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ตราบใดที่จิตใจยังไม่ได้รับการชำระ จิตใจจะมีความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องเศร้าหมองทำให้จิตใจนั้นมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่ว่าจะได้อะไรมาจะอยากได้อะไรมามากน้อยเพียงไรได้มาแล้วมากน้อยเพียงไร ก็ยังไม่มีความพอไม่มีความสุขยังต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆและสิ่งที่ได้มาก็กลายเป็นภาระสำหรับจิตใจต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยหวงคอยห่วงคอยกงังวลคอยวุ่นวายไปกับสมบัติเข้าของเงินทองและบุคคลต่างๆ และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงมีสมบัติมีปราสาทถึงสามปราสาทด้วยกันเรียกว่าปราสาทสามฤดูไว้สำหรับ อยู่ไว้เพื่อบำรุงบำเรอความสุขแต่ในใจของพระพุทธเจ้านั้นกับไม่สุขกับสิ่งต่างๆเพราะเห็นว่ามันไม่ได้ทำให้จิตใจนั้นมีความอิ่มมีความพอเลยได้เศษได้สัมผัสมากน้อยเพียงไรก็ยังมีความหิว มีความอยากที่จะเสพที่จะสัมผัสก็ต้องไปสแสวงหามาอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราได้เสพได้สัมผัสแล้วมันก็หมดไปมันก็ผ่านไปเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่เราก็ยังต้องไปลิ้นรนขวนขวายหามาใหม่อยู่เรื่อย หามาได้มากน้อยเพียงไรหามาได้กี่รอบ ก, ก็จะเป็นเช่นนี้อยู่ไปเรื่อยๆจนวันตายและเมื่อตายไปแล้วก็ยังต้องไปเกิดใหม่อีกเพราะความอยากที่มีอยู่ในใจคือความโลภที่มีอยู่ในใจยังไม่ได้รับการชาระยังไม่ได้รับการกําจัดนั่นเอง ความโลภนี่แหละที่จะเป็นตัวที่พาให้ต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดสูงบ้างต่ำบ้างก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลหรือบาปกรรมที่ได้ทำไว้ในปัจจุบนันนี้และในอดีตที่ผ่านมาถ้าได้สร้างบุญสร้างกุศลและเป็นวาระของบุญกุศลที่จะส่งให้ไปเกิด ก็จะได้ไปเกิดในสุขติเกิดในที่สูงเช่นเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นเทพเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นวาระของบาปกรรมส่งให้ไปเกิดก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้าง เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งได้ถ้าได้กระทําบุญหรือบาปไปแล้วบุญหรือบาปนั้นก็จะส่งผลตามมาอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบาปบางชนิดก็ช้าบุญบางชนิดก็ช้าบุญบางชนิดก็เร็วบาปบางชนิดก็เร็ว ไม่แน่แต่สิ่งที่แน่ๆก็คือมีผลตามมาแน่นอนและมีผลที่ปรากฏขึ้นทันทีทันใดในใจด้วยคือเวลาทำบุญใจก็มีความสุขมีความสบายใจเวลาทำบาปก็มีความใจก็มีความไม่สบายใจมีความทุกข์ร้อน นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีในปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่แต่เราไม่ได้คิดกันว่ามันเกิดจากการกระทาของเราแต่ส่วนภพชาติที่จะตามมาต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เพราะเราไม่มีปัญญา ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่รู้เห็นได้พระพุทธเจ้าจึงนำเอาสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นนี้มาสั่งสอนพวกเราเพื่อให้พวกเรานั้นจะได้เดินทางไปในทางที่ถูกที่ดีที่งาม ที่พวกเราทุกคนปรารถนากันคือเราต้องการความสุขและความเจริญด้วยกันทุกคนไม่ต้องการความทุกข์ความเสื่อมด้วยกันทุกคนแต่ทําไมเราจึงต้องเจอความทุกข์เจอความเสื่อมเสียอยู่เรื่อยๆนั่นเพราะเป็นเป็นเพราะว่าเราเดินผิดทางเราไม่ได้เดินไปในทางที่จะ ทำให้เราพบกับความสุขและความเจริญโดยถ่ายเดียวดังนั้นเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเพราะท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามีตาสว่างเห็นทางที่จะไัยสู่ความทุกข์ และเห็นทางที่จะไปสู่ความสุขทางที่จะไปสู่ความทุกข์ก็คือการไปตามทางของบาปกรรมของอบายมุขของความโลภของความโกรธของความหลงถ้าไปตามทางนี้ชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทางที่ไปสู่ความสุขก็คือทางแห่งบุญและกุศลทางแห่งการทำความดีดังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้เรียกว่ากำลังเดินไปในทางที่ดีทางสู่ความสุขและความเจริญคือการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ เดิจงกรมเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นวิธีเป็นทางที่จะพาให้จิตใจได้ไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่ความพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นทางเดียวที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ดําเนินไปและได้ไปถึงจุดหมาย ปลายทางที่วิเศษแล้วจึงได้นำเอามาสั่งสอนพวกเราพวกเรานั้นมีอย่างเดียวที่เราต้องมีก็คือเราต้องมีศรัทธาความเชื่อเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดเวลาจะเดินไปไหนต้องอาศัยคนตาดีพาไป ต้องมีความเชื่อในคนว่าคนตาดีนั้นจะพาตนไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนต้องการไปได้ถ้าไม่มีความเชื่อก็ต้องไปด้วยตนเองต้องคลาทางไปซึ่งโอกาสที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นั้นย่อมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเวลาเริ่มต้นก็ไม่รู้แล้วว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศ ต, ต, ต, ตะวันออกทิศ ต, ตะวันตกอยู่ทางไหนก็ต้องสุ่มไปลองไปก็จะไปไม่ถึงไหนและจะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุตามทางอย่างแน่นอนอาจจะเดินไปชนเสาชนต้นไม้ตกหนุมตกบอ่อ ไปเหยียบสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายได้ถ้าไปตามลำพังฉันใดพวกเราก็เป็นเช่นนั้นเราเป็นคนตาบอดทางด้านจิตใจเรามองไม่เห็นบาปไม่เห็นบุญมองไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดมองไม่เห็นด ว, วงวิญญาณของเรา เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเรามองไม่เห็นดวงวิญญาณว่าได้ออกจากร่างไปแล้วและได้ไปไหนต่อพวกเราที่มาเกิดได้นี้ก็เพราะว่าชาติก่อนเวลาที่เราตายไปดวงวิญญาณก็ออกจากร่างแล้วก็ไปหาร่างใหม่พอดีเป็นวาระของบุญส่งให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะในอดีตรเราเคยได้ทำบุญเคยรักษาศีลมาก่อนจึงทำให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นวาระของบาปเช่นเราเคยท่าสัตว์ตัดชีวิตหรือประพฤติผิดประเวณีก็จะเป็นวาระของบาปที่จะส่งให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างหรือไปตกนรกบ้างแต่เรามองไม่เห็น ดวกวิญญาณของเราเรามองไม่เห็นใจของเราเราเห็นได้เพียงแต่ร่างกายของเราเราจึงไม่รู้ว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่ความตายการตายของร่างกายชีวิตของเรานั้นยังดำเนินต่อไปอยู่เรื่อยๆเพราะใจของเราหรือวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายนั่นเองเป็นสิ่งที่ไม่เกิด คือหมายความว่ามันไม่มันมันไม่มันไม่โผล่ขึ้นมาแล้วหายไปมันมีอยู่ตลอดเวลามันไม่เกิดไม่ดับมันมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันจะต้องไปมีร่างต่างๆตามบุญตามกรรมบางครั้งก็ไปมีร่างของพรหมบางครั้งก็ไปมีร่างของเทพ บางครั้งก็ไปมีร่างของมนุษย์บางครั้งก็ไปมีร่างของเดรัจฉานบางครั้งก็ไปมีร่างของเปรตของสัตว์ตลกเพราะบุญกรรมที่ทําไว้นั่นแหละเป็นผู้ที่ทําให้ดวงวิญญาณนั้นเป็นไปต่างๆนาน า, นาเป็นสิ่งที่พวกเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นอกจาก เชื่อฟังพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างแห่งธรรมทำให้เราสามารถเห็นได้เช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นที่พระอาหารหันต์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นกันมาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปกปิด ได้ถ้ามีการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายก่อนที่ท่านจะเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเช่นเดียวกันท่านก็เป็นพวกขูหนวกตาบอดมองไม่เห็นวิญญาณมองไม่เห็นดวงจิตดวงใจแต่อศายศัตว์ความศรัทธา เชื่อฟังในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำเอาไปปฏิบัติทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละบาปทั้งหลายและกําจัดความโลภความโกรธทั้งหลายความโกรธความหลงทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจพอความโลภความโกรธความหลงถูกชาระออกไป ใจก็สว่างขึ้นมาเพราะวาความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นเหมือนกับเมฆที่ไปบังพระอาทิตย์ไว้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ได้ทำให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมืดเป็นเหมือนตอนกลางคืนแต่พอเมฆนั้นถูกพดัดไปออกไป ปล่อยให้พาธที่ได้ส่องแสงสว่างออกมาก็มีแสงสว่างทั่วไปหมดสามารถมองเห็นอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนฉันใดการชำระความโลภความปวดความหลงนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราชำระแล้วก็จะทำให้ใจของเราสว่างสวัยขึ้นมา ถ้าเป็นดวงตาก็ทำให้ดวงตาที่มืดบอดนั้นสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ใจก็จะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเห็นดวงวิญญาณของตนและของผู้อื่นเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายเห็นการเกิดในที่สูงที่ต่างในนรกในสวรรค์ในภพชาติต่างๆ ของสัตว์โลกทั้งหลายได้อย่างชัดเจนทุกพวกเราทุกคนนี้มีสิทธทิที่จะเห็นได้เช่นเดียวกันถ้าเราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องไม่ลดละจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ ถึงแม้เราจะไม่สามารถไปได้ถึงภพนี้ชาตินี้ถ้าเราทําไปอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็จะพาให้เราปฏิบัติต่อไปในโอกาสหน้าถ้าเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ถ้าเราไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องไปใช้บุญใช้กรรมก่อนเช่นไปเกิดในสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมก็ได้ไปรับผลของบุญ ได้มีความสุขอยู่กับสวรรค์ชั้นพรมชั้นเทพไปจนกว่าบุญนั้นจะหมดแล้วจึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราได้สะสมบุญบรารมีไว้บุญบรารมีนี้ก็จะผลักดันให้เราได้สร้างบุญบรารมีเพิ่มขึ้นไปอีกดังที่พวกท่านทั้งหลายได้มาที่วัดกันในวันนี้ เหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้ท่านมาได้ก็คือบุญบารมีเก่าที่ได้เคยทำไว้ทำให้ท่านมีความผูกพันต่อการสร้างบุญบารมีต่อการสร้างบุญสร้างกุศลถ้าไม่ได้ทำมาไว้ก่อนก็จะไม่ได้มาวัดอาจจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะมีวันหยุดถึงสี่วันด้วยกันแทนที่จะคิดถึงเรื่องการสร้างบุญบารมี ก็จะคิดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะไม่ได้สร้างบุญบารมีมานั่นเองในชาติก่อนๆเคยสร้างแต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาก็เลยติดเป็นนิสัยพอมีเวลาว่างก็ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อแต่พวกเรานี้ เคยได้สร้างบุญบรารมีมาอย่างแน่นอนเคยได้ทำบุญรักษาศีลเคยปฏิบัติธรรมเคยฟังเทศฟังธรรมมาจึงทำให้จิตใจมีความผูกพันต่อการเข้าวัดต่อการมาทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนี่คือเรื่องของจิตใจเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้สะสมบุญบรารมีมากๆแล้ว ต่อไปเราก็จะทำแต่บุญบา ร, รมีอย่างเดียวตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมพอหมดบุญนั้นก็กลับมาสร้างบุญบา ร, รมีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไปถึงพระนิพพานเมื่อไปถึงพระนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องสร้างบุญบา ร, รมีต่อไปเพราะพระนิพพานนี้เป็นที่เต็มไปด้วยความสุข บีความอิ่มความพอจะไม่มีอะไรผลักดันให้เราต้องไปเกิดใหม่อีกเป็นที่ปลอดจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นที่ที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอารหันต์ทั้งหลายได้ไปถึงได้บรรลุถึงและอยู่มาจนถึงวันนี้และจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดอนันตการไม่มีที่สิ้นสุดนะ เรามีทางเลือกว่าเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือจะเชื่อความโลภความโกรธความหลงถ้าเราเชื่อพระพุทธเจา้าเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เลิศที่ประเสริฐถ้าเราเชื่อความโลภความโกรธความหลงเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่เรื่อยๆตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตาย อย่างนี้ไปไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันทางเลือกของเรามีอยู่สองทางถ้าเลือกทางพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคําสอนเชื่อพระอริยสงสาวกแล้วนําสิ่งที่ท่านสั่งสอนมาปฏิบัติยึดเอาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นแบบเป็นฉบับเป็นตัวอย่าง ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไปถึงพระนิพพานที่มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาและจะเป็นไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเชื่อความโลภความโกรธความหลงเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดตายจากชาตินี้ก็อาจจะต้องไปใช้กรรมในนรกถ้าไปทำบาป ท, ทำกรรมไว้ หรือไม่เช่นนั้นก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตพอหมดกรรมก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบาปทำกรรมใหม่เพราะมันจะติดเป็นนิสัยอยู่เรื่อยๆถ้าเราเชื่อความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะดึงให้เราไปทำบาปทำกรรมไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักชอ ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดมดเท็จไปเสพสุรายาเมาและอบายยมุขต่างๆแล้วเมื่อตายไปเราก็จะต้องกลับลงไปใช้กรรมใหม่นี่คือวิถีทางของการเชื่อความโลภความโกรธความหลงที่ต่างกับการเชื่อพระพุทธเจ้าเวียนไหยตายเกิดในคนละส่วนกันคนที่เชื่อพระพุทธเจ้า จะเวียนว่ายตายเกิดในสุขติเป็นส่วนใหญ่คนที่เชื่อความโลภความโกรธความหลงจะเวียนว่ายตายเกิดในอบายเป็นส่วนใหญ่จึงขอให้ท่านพิจารณาเอาเองก็แล้วกันว่าจะไปทางไหนเพราะไม่มีใครบังคับได้และไม่มีใครเดินแทนเราได้เราต้องเป็นผู้บังคับตัวเราเองและต้องเป็นผู้เดินทางนั้นเอง จึงขอฝากเรื่องของการเห็นคุณค่าของเวลาของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้ท่านได้รีบเร่งศึกษาและปฏิบัติเพราะทําคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วความสุขและความเจริญก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา